a c h a Dhamma, Sharadam. g a c h a h a m m a Sharadam. g a c h a h a m m a s h a r a a m g a c h a s a n g h a s h a r a a m g a c h a ะมี่คำถามถามว่าอันนี้อธิยามไหมคะถ้าคนที่มาหยิบของของเราไปโดยไม่ได้รับอัญญาตเราก็คิดว่าเราก็คงเคยหยิบของของเขาเมื่อก่นโดยที่ไม่ได้รับอัญญาเช่นกันแล้วเราก็คิดว่าเขาก็มาเอาของเขาคืนไปถือว่าเป็นการใช้มีดกันหมดไปแล้วแต่ถ้า เขาก็ไม่เคยอาของของเขามาแล้วเขาก็มาของเราไปแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาแค่คนจะเป็นไงเจ้าคะจากทังเจ้าของกับและคนที่เอาไปคือคืออย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปเข้าใจในกรณีว่าเนี่ยคนเราโดยมากกมีอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยที่ทนอยู่กับเขามาถือว่าใช้กรรมไปน่ จะได้หมดหมดกรรมไปเขาหวงแค่นั้ชาติหน้าจะได้สบายไอ้คนคิดอย่างเนี้ยลัทธิชดใช้กรรมเนี่ยไม่มีในพระศาสนานะเพืออย่างนี้ว่ากรรมที่เคยทําไว้เนี่ยถ้าถามบอกว่ารู้มมันจะหมดเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้แล้วไปทํากรรมอะไรมาก็ไม่ทราบใช่ไหมแล้วกรรมเนี่ยมันเวลามันให้ผลเนี่ยนะมันให้ผลมันจะนานแค่ไหนไหนก็ไม่รู้แล้วไปทํากรรมอะไรมาก็ไม่ทราบถามไปมันก็จะ มีปัญหาตามใหม่เยอะฉะนั้นอย่างนี้ว่ามีคนมาหยิบของของเราไปอันนั้นแปลว่า ม, <c oughs> มันล่วงเจตนาที่คิดจะรักมันเรียบร้อยไปแล้วของนี่ก็หายเรียบร้อยไปเลยนี่เนะืองครบองค์แล้วเนี่ยอย่างนั้นเป็นกรรมรบทแล้ว <c oughs> เขาก็ศีนข้ออธินนาทานเขาก็เรียบร้อยไปเลยพังไปเลยพังไปแล้วส่วนเราเนี่ยถ้าถามว่า ที่เคยเกี่ยวข้องอย่างเนี้เคยไปทําเขามาไหมอะไรต่างๆนั้นมันไม่ใช่ว่าไปทําคนนั้นแล้วคนนั้นตามมาทำนะไม่ใช่อคนละเรื่องเลนะกรรมไม่ใช่อย่างนั้นสภาพของกรรมก็คือว่าเมื่อเมื่อเรามีของแล้วมีทรัพย์แล้วทรัพย์ก็ถูกลักถูกขโมยมันก็เข้าอยู่ในข้อของการให้ทานโดยการกระทบตนและบุคคลอื่นด้วยแล้วก็ในข้อของคำว่าทินนาทานเป็นต้นด้วยมันเชื่อมโยงกันนะทานกระสีเนะี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้เวลาให้ผลก็ให้ผลลักษณะแบบนี้ ให้ผลว่ามีของก็ถูกคนลักคนก็โมยไปอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเหตุเนเราสร้างมาแน่นอนแต่คนคนนั้นเขาก็ทําเหตุใหม่ก็ทํากรรมใหม่แล้วกรรมที่เขาทํานั้นก็ต้องเบียดเบียนกระแสชีวิตเข้าไปทําให้เขาเดือดร้อนเหมือนเราที่เดือดร้อนมีอะไรก็มีคนมาลักเอาเนี่ยมาลักเอาเนี่ยก็ทําให้เราเดือดร้อนอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอ๋อแสดงคนคนนี้เราเราไปคิดว่าชาตินี้เขาไม่เราไม่เคยไปลักของเขาเลยนี่จะมา แต่ไม่เอาเรื่อยเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าเรามองนี่นะว่าเอะเรามีทรัพย์นี่นะเรามีทรพัพย์มีบ้านเอ๊ะถ้าอยู่ต่อมาเนี่ยบ้านมันพังไป เ, เพราะแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าถามว่าเอาแล้วนี้นี้ใครมาเราไปทําอะไรมาอย่างนี้เรามองสื่อกรรมได้ก็อ๋อให้ทานโดยกระทบตนและบุคคลอื่นอย่างหนึ่งสองในข้อของอาทินนาทานถ้าเสียชีวิตด้วยกระเกี่ยวกับเรื่องของปณนาดิบะแต่อย่างนี้เราก็เราก็เกี่ยวข้องมา น่กรรมจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราไปคิดว่าเ อ, อ่อเขาไปเอาของเขามาเอาของเราถ้ามีอะไรเขาก็มาเอาเบีดเสร็จเราถือว่าเออเราใช้กรรมไปเราใช้กรรมไปอันนี้คิดไม่ถูกแล้วคิดไม่ถูกแล้วเพราะเลยหลักการก็คือการป้องกนันนั่นเองนั่นก็ต้องป้องกันแต่ที่เราถึงป้องกันยังไงเราก็เจออย่างนี้การคิดว่าโอ้นี่ไงกรรมที่เกี่ยวไปในี้เรื่องของอธินาทานทั้งหลายเหราเนี้ยให้ผลแล้ว แต่คําว่าให้ผลแล้วก็ต้องระวังไหมก็ต้องระวังให้สังเกตนะบ้านบางบ้านเนี่ยโจรขึ้นตลอดไอ้บ้านไกลๆก็ยอมขึ้นยอมมาลอย บ, บ้านเราเนี่โดนขึ้นตลอดนี่สิบกว่าครั้งแล้วนี่ก็อย่างนี้ให้จนเขียนบอกว่าในบ้านนี้ไม่มีอะไรให้รักแล้วเนี่ยเลยเขียนขนาดนี้อันนี้ก็นี่บ่งบอกก็เกี่ยวกับนี้เรื่องของท า, เา น, เง น, เงนเหล่านี้หรือในเรื่องศีลเหล่านี้ที่ตัวเองเสียหายไปแต่ถ้าถามว่ามันจะหมดเมื่อไหร่โอ้มันยากมาก หลังจากเรื่องกรรมที่เคยทำไว้จะตอบได้ยังไงอีกตอบไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อกรรมนั้นหมดกำลังลงเมื่อไหร่ก็หมด